นี่ธรรมะของการปฏิบัติเนี่ยให้เราปฏิบัติไปเลยลงมือปฏิบัติไปในขนาดนี้เลยแล้วก็ฟังเล่นๆไปไม่ต้องฟังเอาเนื้อหาสาระอะไรหรอกเพนะราะหลวงพ่อพูดอะไรซึ่งหาสาระยากส่วนมากหลวงพ่อพูดกี่ทีกี่ ท, ทีก็เรื่องเดิมนะเรื่องเจริญสติไม่มีเรื่องอื่นหรอกหลวงพ่อก็ยังแปลกใจว่าทาไมพวกเราทนมากเหลือกนทนฟังซ้าแล้วซ้าอีก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 นี่ดูลงมาในร่างกายนะมีมสติรู้กายเราก็เห็นจริงๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแล้วก็ไม่ใช่ก้อนธาตุที่ดีที่พิเศษนะเป็นก้อนธาตุที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา mm hmm. นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะ mm hmm. ยังเด็กยังนมยังสาวไม่ค่อยรู้สึกนะ mm hmm. แต่พอแก่ๆนะนั่งเฉยๆก็เมื่อยนะ mm hmm. ดีไม่ดีนั่งเฉยๆคอเคล็บเฉยๆก็ได้นะ mm hmm. เคยเจอ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 ถ้าดูร่างกายดูไปร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์ดูง่ายดูว่าร่างกายไม่เที่ยงดูยากหน้าตากว่ามันจะเปลี่ยนต้องใช้เวลาหลายวันนแต่ดูจิตใจนะจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดลเวลาเช้าสายบ่ายเย็นไม่เคยเหมือนกันเลยแล้วก็กระทบอารมณ์แต่ละครั้งจิตใจก็ไม่เหมือนกันดวงตาเรามองเห็นเห็นคนนี้ใจเราชอบเห็น <among you, S 2> คนนี้ใจเราเกลียดใจเราก็เปลี่ยนนะนะดงั้นดูจิตใจจะเห็น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 ช่วงที่ยังไม่เข้าใจก็ยากหน่อยอย่างเรายังไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่าทํำยังไงนะเราจะปฏิบัติถูกใครเคยคิดบ้างว่าทํายังไงจะปฏิบัติถูกมีไหมนั่นแหละเห็นไหมใจเราต้องการอะไรใจเราต้องการทำเข้าใจไหมใจเราต้องการทำในขณะที่สติปัฏฐานไม่มีคำว่าทำเลยกริยาในสติปัฏฐานมีอยู่คําเดียวคือคําว่ารูนะ้ไม่มีคำว่าทาในใจของเราเต้องการทำ ทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีทำยังไงจะเกิดมรรคผลนิพพานจะหลุดพ้นลองดูในสติปัฏฐานนะลองไปอ่านดูมีแต่คำว่ารู้ภิกสูทั้งหลายให้คูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวะกริยาคือคำว่ารู้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวกริยาคือคำว่ารู้ ภิกษุทั้งหลายหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นภิกษุทั้งหลายลมหายใจระ ง, งับไปรู้ว่าลมหายใจระ ง, งับไปมีแต่คำว่ารู้นะภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้สึกนั่งอยู่เดินอยู่ compiled. นอนอยู่นะก็รู้ไปภิกษุทั้งหลายจะคูก็รู้จะเหเียดก็รู้นะจะเหลวซ้ายแลกขวาก็รู้ร i̇şte รกกรไปภิกษุทั้งหลายเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้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 ก็คิดว่าเราทําได้แหเห็นไหมเราพัฒนาแล้วจิตเราดีเราจัดการกับความโกรธได้เราเก่งกลายเป็นกูเก่งซะอีกในแทนที่จะเห็นว่าไม่มีเรานะเพราะฉะั้นอย่าไปคิดนะว่าทํายังไงจะถูกทํายังไงก็ผิดนะหลวงพ่อเคยเจอพระวงหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะไปอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งทางสุรินตอนเช้าขึ้นมาทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินออกมาจากคุติ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 เนไหมเนี่ยรู้ว่ากําลังไม่แน่ใจเราก็รู้ไปที่ความรู้สึกไม่แน่ใจเราจะเห็นเลยตอนที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้คิดนะเราก็ไม่มีความไม่แน่ใจพอเราเริ่มคิดเราก็สงสัยใช่ไหมพอเราคิดแล้วความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นมาเนี่ยมีความไม่แน่ใจเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวพอเรารู้ว่าจิตไม่แน่ใจเราไม่ได้ไปคิดต่อนี่ความไม่แน่ใจไม่มีเหตุความไม่แน่ใจก็ดับไป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 อยากให้ขันพ้นทุกข์แล้วก็จิตใจจะดิ้นรนแล้วมีความทุกข์ซ้าซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกทุกข์ซ้อนทุกข์ทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์ไม่เลิกนิโรธนิพพานก็ไม่เข้าใจตอนหลวงพ่อเรียนสมัยเด็กๆ ก, กระทรวงศึกษาแต่งตํารานิพพานแปลว่าตายนิโรธก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นนิโรธคือตายแล้วก็บอกเออ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 ถ้ามรคมีแปดที่เรียกว่ามรคมากมรคในความเป็นจริงมีหนึ่งนะมรคมีหนึ่งแต่มีองค์ประกอบแปดคล้ายๆแมงมุมหนึ่งตัวมีขาแปดขานะไม่ใช่ขาหนึ่งขาคือแมงมุมสองขาคือแมงมุมไม่ใช่เนี่ยธรรมะนะลึกๆมากเลยค่อยๆเรียนไปค่อยๆเรียนหรืออย่างนิโรดนะนิโรด น, ะนิโรดพอลึกซึ้งถึงที่สุดเนี่ยแปลว่าความไม่เกิดขึ้นของทุกข์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 สัมมาสังกัปปะมันก็มีอยู่ในตัวเองในขณะที่เรามีสติอยู่สัมมาวาจาก็เกิดเองสัมมากรรมันตะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะจริงๆก็คือศีลห้านั่นเะอง <founder> มันจะมีอยู่เองสัมมาอาชีวะมันก็จะมีอยู่เองในขณะที่เรามีสติขึ้นมานะสัมมาวายามาก็มีอยู่เองสังมมาวายามาคือความเปลี่ยนชอบทันทีที่มีสติเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับอกูศลใหม่จะไม่เกิด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 ก็ก่อนไม่เข้าใจท่านนะเวลาท่านเทศเนี่ยบอกท่านว่ามีเวลาครึ่งชั่วโมงท่านเทศครึ่งชั่วโมงเป๊ะเลยบอกมีเวลา45นาทีก็45นาทีแนละ้วแล้วทำได้ยังไงแปล ก, กเชิญใครจะคุยมีใครจะให้หลวงพ่อถามบ้างไหมในพระไตรปิฎกมีนะบอกว่า ภิกษุทั้งหลายนะให้พวกเธอขยันภาวนานะอเผื่อเพื่อนกัลายาณมิตรคือเพื่อนเพลาด้วยกันถามเนี่ยจะได้ไม่เก้อเขินมีใครที่จะไม่เก้อเขินถ้าหลวงพ่อถามมีไหมใจถึงๆหน่อยอ้อนวอนเหรออ้อาวเชิญกลับน้ัปการพระอาจารย์ค่ะก่อนอื่นก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์และทีมงานของอาจารย์สุรวัตรทุกๆ ท, ท, ท่านนะคะก็ คือตอนที่ก็ตามปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนะคะก็คือตามดูตามรู้กายใจไปอะคะ่ะทีนี้ก็มีมีเหมือนกับว่ามีสติจริงๆเกิดขึ้นคือโดยที่ไม่ต้องตามดูตามรู้อะคะ่ะเหมือนเกิดขึ้นเองนะคะแล้วก็ตอนสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็จะเห็นว่ามือและก็แขนของเราเนะะี่ยค่ะอยู่ดีๆก็หายไปอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ บางครั้งตอนที่ขณะที่เรากําลังตามดูตามรู้อยู่นี่ก็เกิดอาการที่ว่าไม่หายใจแล้วก็มีหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าค่ะก็ให้ปรากฏให้เราให้เราเห็นนะคะแล้วก็ก็อยากจะห้ามไม่ให้เกิดก็ห้ามไม่ได้อะคะ่ะก็จะเกิดอยู่สักพักนึงแล้วก็หายไปเป็นปกติอะคะ่ะอาจารย์ก็อย่าไปน้อมใจให้นิ่งก็แล้วกัน ถ้าเราน้อมใจให้นิ่งมันก็จะเกิดอาการอะไรซึ่งเกินธรรมดาขึ้นมา <คะ S 1> ถ้าเราไม่ไป น, น้อมใจให้นิ่งนะกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันจิตใจมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของมัน <คะ S 1> แต่ว่าถ้าเราน้อมใจแล้วเกิดสภาวะใดๆขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันนะ <คะ S 1> อย่างเป็นต้นว่าร่างกายหายเป็นส่วนๆเนี้ยนะใจเราเป็นกลางอยู่เรารู้ว่าเป็นกลางอยู่อะไรไม่เป็นไรแต่ของคุณต้องระวังนะ จิตมันติดนิ่งค่ะแล้วจะแก้ไขอะไรก็อย่าไปนิ่งสนะิกระทบอารมณ์บ่อยๆนะ <c oughs> อย่าไปประคองเอาไว้ที่พวกเรานักปฏิบัติชอบประคองจิตให้นิ่งเพราะว่าเรากลัวมันจะไม่ดีกล <c oughs> ัวมันจะไม่ดีกลัวมันไม่มีสติอะไรองนี้กลัวมันเผลอ ER. นะอย่าไปกลัวมันเผลอ ER ก็เผลอค่ะอาจารย์อย่างตอนนี้เผลอ ER ไปแล้วทราบไหมทร <c oughs> าบค่ะอืมเนี่ยหัดไปงเนี้ยเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะดีกว่ากลัวเผลอแล้วไปนั่งเฝ้าไว้จนไม่ยอมเผลอเลย กลายเป็นนั่งเพ่งถ้านั่งเพ่งากายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆเป็นสมถะน ะ, ะเพราะวิปัสนาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความทนอยู่ไม่ได้เห็นการบังคับไม่ได้ขอบคุณพระพเจ้ากลับนับสการค่ะขอส่งการบ้านนะค ะ, ะคือเห็นความรู้ส่งออกไปรู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะแล้วทีนี้ อ, อมันก็สักแต่ว่ารูส้สักแต่ว่าเห็นนะคะก็จะรู้จักว่าทุกสภาวะแปรปรวนไปตามธรรมชาติของมันนะคะแล้วทีนี้ช่วงขนาดนั้นมันก็ไม่เห็นคือมันเห็นเป็นสภาวะที่มันไม่ใช่อันอื่นนะคะเช่นเห็นความรู้ไปรู้ว่า อ, อคืนนี้ดาวสวยรู้สึกชอบนะคะขนาดนั้ น, ม, นมันจะขาดไปเลยนะคะ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 ขอบคุณค่ะอะไรขาดนะคือคื อ, ค, อคือข้างในมันจะตื่นตัวขึ้น ม, มาเลยนะคะ อ, อย่างนั้นแหละเวลาที่จิตมันจำสภาวะได้นะพอมันระลึกปู๊ปั๊บก็ขาดเลยค่ะก็ถูกแล้วแต่ว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงขนาดนี้ตอนนี้เหรอคะคือคือมันข้างในมันเฉยเฉยนะคะแต่แต่ถ้าแต่ถ้า บางครั้งถ้าถ้าไม่อยู่ที่นี่ถ้าฟังเทศหลวงพ่อกายรู้สึกว่ามันนิ่งมันสบายมันตื่นตัวเน ะ, ะ่ยค่ะแต่แต่มันก็หลงอยู่เหมือนกันไม่ขนาดเนี้ยรู้สึกตัวเต็มที่ไหมไม่ไม่ค่ะออใช้ได้รู้สึกไม่เต็มที่ไปบังคับไว้ค่ะเ อ, อใช้ได้ละหน้าที่เราไม่มีอะไรนะถ้าใครเคยฟังเขาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเรื่อยๆจะเห็นว่าเขาจะมาเล่า ว, ว่าเขามีกิเลสอะไรนะ สภาวะจริงๆในกายในใจมีอะไรอยู่บ้างเล่าอย่างที่เรารู้สึกไม่ใช่ยากอะไรถ้าเราสามารถเห็นสภาวะถูกต้องตรงความเป็นจริงก็ใช่ได้แล้วเรียกว่าภาวนาเป็นแล้วนั้นหัดรู้สภาวะไปแล้วสภาวะทั้งหลายเนี่ยจะสอนไตรลักษ์เราจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูอย่าไปตรึงสภาวะใดๆให้นิ่งอย่าบังคับกายให้นิ่งอย่าบังคับใจให้นิ่งปล่อยให้เขาทางานไปขอบพระคุณค่ะ การหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ผ่านมาโยมเห็นรู้สึกมีความสุขหลายๆครั้งเจ้าค่ะแล้วก็ใจโล่งๆแล้วรู้สึกว่าเห็นสภาวะแล้วมันดับลงปล่อยขึ้นเจ้าค่ะดีแล้วคุณคิดใช้ได้ใช้ได้ไดล้ภาวนาดีคุณกบก็ดีนะทีนี้ภาวนาเป็นแล้วดีมรสรการหลวงพค่ะจะถามว่าการภาวนาตอนนี้ถูกต้องหรือ ย, ยังคะ เอางั้นเลยเหรอใจถึงเปล่าเห็นกิเลสบ่อยไหมวันหนึ่งใช้ได้ใช้ได้สอนาดีแล้วไม่ต้องปรับปรุงอะไรหรอกไม่ต้องปรับนะแต่อย่าขี้เกียจเท่านั้นจุดอ่อนนะเดี๋ยวดูดูไปแล้วจะเลิกเลิกเยไปทำอย่างอื่นขยันดูนะดูเรื่อยๆดูเล่นๆดูสบายๆการนวมัรการของพ่อครับ ผมปฏิบัติโดยตามรู้ใจตามดูกายมา อ, อยู่ไหนแล้วทห่นี่ครับอผมปฏิบัติมาช่วงหนึ่งครับตามรู้กายตามรู้ใจมาไม่ทราบว่าตอนนี้<ะ>ถูกใช้ได้ขอบคุณครับดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยเสร็จแล้วกายกับใจจะสอนทำรร ม, มาเราเองครัเอาไปถึงไหนล้วกลับน้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะจะขอถามว่า ที่ภาวนายอยู่ถูกหรือเปล่าคะฮะลอกกันบ้านกันหรือเปล่าถามเหมือนกันทุกคนเลย <c oughs> คือมันเป็นคําถามที่หลวงพ่อเกรงใจที่จะตอบอะนะ <c oughs> คืออย่างเราถามว่าถูกไหมเนี่ยคนซึ่งไม่เคยรู้สึกตัวเลยรู้สึกขึ้นมาก็ถูกแล้วใช่ไหมแต่มาพอรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็รู้อย่างเป็นกลางแต่เดิมรู้ไม่เป็นกลางแต่มารู้ว่าเป็นกลางรู้อย่างเป็นกลางมากขึ้นมันก็ถูกมากขึ้น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 อย่าถ้าหลวงพ่อบอกว่าถูกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มหยุดนิ่งแล้วเราจะพอใจในสภาวะอันนี้ถ้าหลวงพ่อบอกว่าไม่ถูกก็กลายเป็นหลวงพ่อพูดไม่ถูกอีกเพราะในความเป็นจริงก็คือเป็นถูกนั่นแหละแต่การถูกแล้วมันถูกเป็นลําดับลําดับไปตอนนี้เห็นกิเลสบ่อยไหมล่ะเห็นความคิดเห็นเรื่องที่คิดหรือรู้ว่าจิตคิดคือบางทีก็เหมือนกับกว่าเห็นเป็นเรื่อง ค่ะแต่ว่าบางครั้งก็จะแบบพอเริ่มคิดแล้วก็รู้อะอค่ะต้องอย่างนั้นนะพอเริ่มจิตมันเริ่มคิดรู้ว่าจิตคิดเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ทันจิตแต่ถ้ารู้เรื่องที่คิดเรียกว่ารู้สมมุติบัญญัติสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมาธิธรรมไปรู้สมมุติบัญญัตินะไม่เกิดสติปัฏฐานนะไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหม เอออย่างเนี้ยใช้ได้นะแล้วหัดรู้สึกไปเรื่อยเราจะเห็นว่าใจนี่หนีไปคิดแวบแวบแวบหนีอยู่เรื่อยๆให้รู้ไปเรื่อยๆนะอย่าให้มันหลงไปนานหลงนานน่าเกลียดให้หลงแวบแวบถ้าไม่หลงเลยก็น่าเกลียดนะกลายเป็นนักเพ่งนั่นต้องหลงบ้างให้มันหลงไปแล้วรู้สึกหลงไปแล้วรู้สึกหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบค่ะเออต้องอย่างนี้รู้สึกไหมตรงที่เราทราบนะใจเราจะสว่างขึ้นมาโล่งๆขึ้นมา โปร่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตอนหนีไปคิดไห้ใจก็ทึบๆถึมๆขึ้นมาเนี่ยสงสัยแล้วทราบไหมดูออกเปล่าหนึ่งดูไม่ออกะอะค่ะไม่ออกก็ไม่เป็นไรมรดการหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติแล้วแบบว่าเหมือนติดมันยื้อกันอยู่ว่ารู้รู้รู้สึกตัวหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยค่ะให้รู้ว่ากำลังสงสัยไป อย่างเราไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจนะ ห, หัดรู้ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นอีกความไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีขึ้นมานั่งดูไปเรื่อยๆถ้าไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวความไม่แน่ใจก็ดับไปถ้าเกิดแล้วก็ดับเราหัดดูสภาวะทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อจะได้ความรู้อันเดียวเองอว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราต้องการรู้แค่นี้เองนะเราไม่ได้ต้องการความฉลาดรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกมากมายอะไร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 เรารักอะไรเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นเราจะลืมรู้ว่าจิตกำลังมีราคะอยู่หรือความเบื่อเกิดขึ้นเราก็ขี้เกียจไปเลยเลิกดูกิเลสสำเร็จแล้วทำให้เราเลิกรู้ทันตัวเองเราไม่รู้ว่ากำลังเบื่ออยู่ยใจฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ถูกเลยงงไปหมดละเราก็รู้สึกว่างงงไปงั้นน่ะเราไม่รู้ว่าจิตกำลังงงอยู่เราะนั้นกิเลส ท, ทุกตัวนะทหน้าที่อันเดียวกัน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 คิดไปคิดมายังไม่เข้าใจก็สงสัยขึ้นมานะหรือกระทั่งความโลภและความโกโรธนะก็เกิดจากความคิดนะอย่างเราจะรักใครเราต้องคิดในแง่ดีก่อนนะเรียกว่ามีกาามาวิตกก็เกิดราคะมีพยาบาทวิตกก็เกิดโทสะนะีใจมันหลอกเราทั้งนั้นเลยหลอกให้เราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็กิเลสก็ทํางานได้เต็มที่ถ้าเรามีสติรลุดออกจากโลกของความคิดกิเลสไม่มีช่องที่จะทํางาน กันมีสติรู้สึกรู้สึกไปในขณะที่รู้สึกตัวอยู่จิตจะไม่มีกิเลสในขณะใดมีกิเลสในขณะนั้นจะไม่รู้สึกตัวไม่มีสตอิอยู่ที่ไหนเอาว่าไปกลับน้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะรู้สึกฟุ้งซ่านแล้วก็เพ่ง อ, อยากหายฟุง้งซ่านเราไม่ชอบฟุง้งซ่านเราก็เลยไปเพ่งไว้นะแม้ ใ, ใจเราแทนที่ว่าเราจะรู้ พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเราไปเห็นความฟุ้งซ่านใจเราไม่ชอบพอไม่ชอบเราเลยไปเพ่งกะว่าจะให้มันหยุดไปนะรานั้นเราใ ห, ให้ให้เรารู้ไป <c oughs> คําว่ารู้เนี่ยมีนัยยะสองอย่างซ้อนกันนะอันหนึ่งรู้ด้วยสติอันนึงรู้ด้วยปัญญานในสติปัฏฐานเนี่อรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าทําสมถกรรมฐา น, นรู้ด้วยสติอย่างเดียว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 ในสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะทำวิปัสสนาะการรู้ก็จะรู้ได้สติรู้ได้ปัญญาสติระลึกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่มีปัญญาระลึกรู้ลงไปว่าตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่ถ้ามีสติอย่างเดียวนะไม่มีปัญญาจะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ใจจะไปเพ่งเช่นเพ่งท้องของยุบแล้วก็เพ่งอยู่ที่ท้องเนี่ยมันก็เป็นสมถะ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 ถ้าเป็นวิปัสสนาจะรู้ด้วยสติและปัญญาถ้าสามาธยจะไปเพ่งไว้เฉยๆมีไหมไม่มีจะได้เลิกอรกอมีกลับนมัรคการ <c oughs> หลวงพ่อคะ่ะเคยพูด <c oughs> ออกไม่หลายครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเี่จะสันเท่าครั้งนี้นะค ะ, <c oughs> ะจะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้หนึ่งปีคะ่ะก็ภาวนาแต่ละครั้งที่ผ่านมาก็ต่างกันไปแต่ว่าจะขอรายงานสภาวะครั้งล่าสุด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 คือมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขปิติก็จะตามกันโดยที่ไม่ได้สั่งซึ่งอยากจะเรียนถามหนุ่มพ่อว่าการภาวนาที่ขั้นที่เรียกว่าคณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิความรู้สึกจะเป็นยังไงคะคณิกะสมาธิอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองนะทันทีที่สติเกิดเนี่ยคณิกะสมาธิก็เกิดแต่ของคุณนะั่นมันเข้าไปที่อุปจาระค่ะ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 น, นี่เป็นตัวสภาวะแล้วอะไรอีกตัวความรู้การเห็นค่ะการเห็นเห็นอะไรคือขณะภาวนาในความไอสาตัวนี้จะเกิดขึ้นตรงที่ความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องสนใจมันนะแต่ว่าอะไรแปลกปลอมความรู้สึกใดๆแปลกปลอมขึ้นมาในจิตในใจขนาดนั้นนะตามรู้ตามเห็นมันไปเรื่อยๆมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่นะมีผู้รู้ผู้ดูอยู่ แล้วก็มีอาการต่างๆแสดงออกไปแต่อย่าไปหลงอยู่กับความคิดคเอาความคิดทิ้งไปแล้วก็ดูของจริงๆกลับขอบพระคุณมากค่ะนามัส ก, การหลวงพ่อครับอ่ผมได้ฟังทีิ์อยู่หลวงพ่อแล้วก็เริ่มฝึกเรียนตามรู้กายตามรู้ใจเป็นถามหลวงพ่อว่ะประวัตของผมควรจะฝึกกายหรือฝึกใจอย่างไรก่อนครับ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 จิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอนะกุศลใด้เราคอยรู้ไปเรื่อยๆการที่เราหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตจะจําสภาวะได้แม่นนะพอ ส, ส, สภาวะที่จิตจําได้แล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วนะทีแรกก็ต้องจงใจชำระเงินบ้างนะพอชำระเงินไปเรื่อยๆจงใจบ้างนะอย่าจงใจแรงจงใจแรงเราเครียดจงใจชํำระเป็นระยะระยะไปแล้วจิตมันจําสภาวะแม่นแล้วสติเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจ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 ที่ดิฉันปฏิบัติทุกวันนะคะแต่ดิฉันเพิ่งมาพบหลวงพ่อครั้งแรกค่ะอย่าบังคับมันก็แล้วกันค่ะอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจรู้เล่นๆไปค่ะก็ตกคํานะไหว้พระสวดมนต์ทำบ้างไหมทําทุกวันอ้อดีสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็สังเกตใจไปเอาละคั้งซ้ำมาเนี่ยใจไหลไปคิดแวบรู้สึกรู้ว่าใจหนีไปแล้วซ้ำพุทโธพระกวานี้อีกแวบหนึ่งรู้สึก ดังนั้นเราส่วนมลไปแล้วใจเราไหลแวบแวบแวบบคอยตามรู้ไปเรื่อยเราไปสติจะเกิดเร็วค่ะค่อยฝึกนะกค่ ะ, คะขอบคุณค่ะอ่านรมาสการครับหลวงพ่อคือรู้ว่าออยากถามนะครับแล้วก็<อ>แล้วก็ยังถามอีกก็คืออยา่างนี้สี่เวลาเราอยากถามรู้ว่าอยากถามนะเราก็เห็นเลยความอยากเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา พอเรามีสติรู้เนี่ยความอยากจะดับต่อไปนี้เหลือเหตุผ ล, ลแล้วสมควรถามเราก็ถามเนี่ยไม่ได้ถามเพราะอยากแล้ว<อ> <พอ S 1> ถามไปเพราะที่ถามนี้คือว่าแต่เมื่อกี้อยากถามอีกแล้วนียหิกแว บ, บหนึ่งแล้วกันครับคือบางครั้งโกรธแล้วมันก็ยังแสดงออกไปอีกนะครับห<น>รือว่าโกรธแต่ว่ายังแสดงออกไปอีกแสดงออกทางกายทางวาจาใช่ครับเราต้องถือศีลไว้ก่อนนะคือคนซึ่งทําแต่สมถะเนี่ยจะเรียบร้อย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 เพราะฉะนั้นถ้าเจริญอิทธิบาทนะก็อยู่ได้กับหนึ่งหรือกับกว่าๆว่าอะไรเงี้ยนะมีคนหนึ่งนะชื่อดังตรินดังตรินเที่ยวดูดูดูดอ้อองค์นี้สบายมีแต่ความสุขล้วนๆมาหาแล้วก็มีแต่ความสุขนะองค์นี้เจริญอิทธิบาทอยู่จิตต้องทรงฌานต้องอะไรอยู่เป็นภาระเหนื่อยนะ งั้อยเที่ยวอาราธนาครูบาอาจารย์เยอะเลยเวลาพวกเรานะภาวนาไปวันหนึ่งใจเราพรากออกจากขันเราก็จะพบสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานเนี่ยเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าตานะมีความสุขล้นๆนอยู่นี่ถ้าใจของใครไปเห็นนิพพานแล้วเนี่ยไม่มีภาระอะไรกับโลกเนี่ยใจก็น้อมโน้มน้อมไปสู่นิพพาน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 นี่บางคนก็เลยไปคิดว่าการเป็นพระอระหันต์เนี่ยอรหัต ส, สมักอรหัต ส, สผลนี่เป็นของไม่ดีทําให้เราต้องตายความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นร่างกายนี้ต่างหากเราไม่ดีพอสําหรับอรหัต ส, สมรกอรหัต ส, สผลเป็นของไม่ดีพองั้นไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วตายแลการเป็นพระอรหันต์ไม่ดีไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ดีพอนะฮะแต่ถ้าใจ มีภาระใจไม่หมายถึงว่ายังงมีปณิธานยังจะทางานอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็โน้มน้อมใจเข้ามาอยู่กับขันยังต้องออกมาเกลือกกลั่วกับขันที่เป็นกลองทุกอยู่ <c oughs> มีคนเป็นนิมนต์หลวงปู่เทศนะบอกหลวงปู่ขอให้อยู่ร้อยปีที่เล่าตะเกียะ <c oughs> บอกไอ้คนนิมนต์มันไม่เคยแก่ <c oughs> <c oughs> มันทุกนะ <c oughs> เอาไปถึงไหนละ ค่ะหลวงพอ่อค่ะก็คือเพิ่งเคยมากับหลวงพ่อครั้งแรกอะค่ะแล้วก็ปฏิบัติมาได้ประมาณสองสามเดือนนะคะใครสอนให้ล่ะก็ไปฟังที่บ้านอารียค่ะก็มีอาจารย์สุรวัตรแล้วก็พี่เอกอะค่ะเดี๋ไปให้อาจารย์สุรวัตรสอนไปบอกว่าให้อาจารย์สุรวัตรแก้ให้หน่อยจิตไปติดการตรึงไวนง้นิ่งๆเนี่ยจะทํายังไงดีนะ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 ก็รู้สึกเวลาตัวเองรู้เหมือนรู้แบบเสแสร้งอะค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละให้รู้ทันอย่างนั้นน่าดีแล้วน ะ, ะอีกหน่อยมันก็ไม่แกล้งหรอกมันจงใจไปจงใจแต่ว่าขณะนี้มันเป็นสภาวะที่ผิดกว่าปกติมันตื่นเต้นเนอะใช่ ต, ตื่นเต้นแล้วเราก็ไปกดมันแต่สังเกตไหมใจเรากระจายกระจัดกระจายใจมันไม่ย้อนเข้ามารู้กายรู้ใจในขณะ น, นี้มันกระจกระจายออกไปหมด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 ว่าจะให้หลวงพ่อถามไม่ใช่หรือหลวงพ่อถามได้เลยค่ะอะไรชื่อว่าหนึ่งเอาละถามไปงั้นแหละเนาะ <ลง S 1> ตอบไม่ได้ห ร, หรอกนะขอบคุณค่ะมีนะมีปริพาชกผู้หญิงเนี่ยเรียกปริพาชิกาที่เขาไปท้าคน้าโต้วาทีเรื่อยๆเอากิ่งว่าไปฝักถ้าใครจะโต้ด้วยนะั่นก็มาถอนกิ่งนี้วันหนึ่งภาษาริบุตรจะไปรับคําท้า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 จบสิ้นกาลนานเธอสาธุยถาวาริวหาปูราปาริปูเรนตีสาขรางเอวเมวายโตทินังเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปปาจันโดปันราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีดิโยวิวัตชนตูสัพพโรคโควินาสต มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายยโภพวาอาภิวาธนาศีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตาโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังภานานะภนที่พระบอกอายุวันโนสุขังพลังความจริงไม่ได้ใช้ผ่อนนะ